จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาศกผู้บาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันจันทร์ที่แปดมีนาคมพุทธศักราชสองพัเป็นวันพระวันธรรม ส, สวรรวันฟังธรรมวันธรรมธุระของพุทธศาสนิกชน ของศรัทธาญาตโยมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงมอบหมายไว้อยู่สองธุระด้วยกันคือ 1. คันถะธุระ 2. วิปัสสนาธุระคันถะธุระหมายถึงการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าวิปัสสนาธุระคือการปฏิบัติหรือการทำให้ปรากฏขึ้น ในผลที่พระพุทธเจ้าได้ส่งสอนให้ปฏิบัตินี่คือธุระสองประการที่พระพุทธเจ้าทรงมอบไว้ให้กับพุทธบ ร, ริศัทธ์สีมอบไว้ให้กับพระภิกษุสา ม, มนเณรอุบาสกและอุบาสิกาเพราะธุระนี้ก็สำคัญยิ่ยงกว่าธุระอื่นทั้งหมด ถ้าทำธุระอื่นแต่ไม่ได้ทำธุระนี้ก็เสียชาติเกิดคือเกิดมาแล้วจะไม่ได้รับการพัฒนาจิตใจไม่ได้รับการพัฒนาพบชาติให้เจริญให้สูงขึ้นนั่นเองแต่ถ้าได้ทำธุระนี้ด้วยพร้อมกับธุระของทางโลกด้วยก็จะได้ประโยชน์ทั้งสองส่วนธุระทางโลกก็มีความจาเป็น เช่นการทำมาหากินเพื่อจะได้มีรายได้เข้ามาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องให้ร่างกายอยู่ได้อย่างสุขสบายแล้วจะได้เอาร่างกายนี้มาทำธุระทางพระพุทธศาสนาได้อย่างสะดวกถ้าธุระทางโลกนี้ไม่ได้ทำธุระทางศาสนาก็จะไม่ได้ทำด้วยเพราะถ้าไม่ได้ทำธุระทางโลก ก็จะไม่มีรายได้ไม่มีอาชีพที่สดจรินก็อาจจะต้องไปทำอาชีพที่ทุติริตเมื่อทำไปแล้วก็อาจจะถูกจับเข้าคุกเข้าตาราก็จะไม่มีเวลาไม่มีโอกาสได้มาทำทุระของพระพุทธศาสนา <c oughs> ดังนั้นเราจึงต้องรู้จักแบ่งเวลาของการทำรทุระทางโลกกับทุระทางธรรม ให้เหมาะสมแก่ความจําเป็นของแต่ละธุระธุระทำโลกก็มีความจําเป็นธุระทางธรรมก็ยิ่งมีความเจนจำเป็นมากกว่าหลายเท่าด้วยกันเพราะธุระทางธรรมนี้เราทําเพื่อจิตใจของเราจิตใจของเรานี้ไม่ไม่ไม่ตายไม่มีอายุไขเหมือนกับร่างกายของเรา ร่างกายของเรามีอายุไขต่อให้เราทาธุระสำหรับร่างกายแล้วนี้ดีขนาดไหนก็ตามมันก็มีขอบเขตมันก็อยู่ได้ไม่เกินร้อยปีเป็นส่วนมากหลังจากนั้นแล้ว <c oughs> ก็ไม่มีประโยชน์อีกต่อไปถึงแม้จะมีเงินทองที่เราหามาได้มากมาย เป็นล้อยล้านพันลานก็ตามพอร่างกายนี้ตายไปแล้วเงินทองที่หามาได้ทั้งหมดร้อยล้านพันล้านก็จะไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับร่างกายหรือกับจิตใจแต่ถ้าเราเอาเงินทองที่เรามีเหลือกินเหลือใช้มีมาทำธุระทางพระพุทธศาสนาเช่นมาทำบุญให้ทานเราก็จะได้รับประโยชน์ จากเงินทองก้อนนี้จะเป็นทรัพย์ภายในของเราต่อไปจะติดไปกับใจของเราจะพาใจของเราให้ได้ไปเกิดในภพชาติที่ดีต่อไปดัง น, นั้นการทำทุระทั้งสองส่วนจึงมีความาเป็นแตค่ความสำคัญนี้ต้องอยู่ที่ทุระทางศาสนาเพราะว่าทุระทางศาสนานี่แหละจะ ยกจิตใจของเราให้อยู่เหนือการเวียนว่ายตายเกิดได้ให้อยู่เหนือความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายได้ถ้าเราไม่ทําธุระทางพระพุทธศาสนาแล้วใจของเราก็ยังจะต้องถูกแรงดูดของการเวียนว่ายตายเกิดจะต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอย่างไม่รู้จักจบจากสิ้น แต่ถ้าเราสามารถปฏิบัติธุระของพระพุทธศาสนาได้สมบูรณ์เราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดกลับมาแก่กลับมาเจ็บกลับมาตายกลับมาพัดพาคจากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆอีกต่อไปดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงต้องกำหนดวันพระไว้วันพระก็เป็นวันที่ให้พุทธศาสนิกชนได้ปล่อยวางธุระทางโลกแล้วมาทาธุระ ทางศาสนานี่เองวันนี้เรามาทําธุระทางศาสนากันทั้งคัมถีร์ธุระและวิปัสสนาธุระทางคัมถีร์ธุระก็คือเรามาฟังเทศฟังธรรมการฟังเทศฟังธรรมนี้เป็นการศึกษาร่ำเรียนพระธรรมคําำำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนกับการศึกษาแผนที่ก่อนที่เราจะเดินทางไปสู่ จุดหมายปลายทางที่เราไม่เคยไปมาก่อนถ้าเราไม่มีแผนที่เราไม่ได้ศึกษาแผนที่เราจะไม่รู้ว่าทางที่เราจะไปนั้นอยู่ทางไหนไม่รู้ว่าไปทางทิศเหนือหรือไปทางทิศใต้หรือไปทางทิศตะวันออกหรือทางทิศตะวันตกเราต้องดูแผนที่ก่อนถ้าไม่ดูแผนที่ก็ต้องมีคนพาเราไป หรือต้องถามคนที่รู้ทางบอกเราก่อนการศึกษาก็เป็นอย่างนี้เหมือนกับการดูแผนที่เหมือนกับถามคนที่รู้ทางหรือเหมือนกับมีคนนำทางให้กับเราไปถ้าเราไม่ศึกษาแล้วเราไปปฏิบัติการปฏิบัติของเราก็จะไปแบบสุ4สีุ่มหไปแบบผิดผิดสุกถูกและเมื่อผิดแล้วก็จะเสียหายมาก บางคนนี้ปฏิบัติแล้วกลายเป็นคนเสียสติไปก็มีบางคนปฏิบัติแล้วค่าตัวตายก็มีนี่เป็นการปฏิบัติที่ผิดทางเพราะไม่ได้ศึกษาแนวทางของพ่อพิตเจ้าไม่ได้ไม่มีครูบาอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนไม่มีผู้นำทางนั่นเองดังนั้นการที่เราจะปฏิบัต ทาง พ, พุทธศาสนานี้เราต้องศึกษาก่อนแต่การศึกษานี้ไม่ได้หมายความว่าให้ศึกษาอย่างเดียวไปก่อนโดยไม่ไม่ปฏิบัติเราศึกษาไปส่วนไหนที่เรารู้เราก็ปฏิบัติส่วนที่เรารู้ไปไม่ใช่รอให้ศึกษาจนจบคำภีร์จบปริยนก้าจบนักธรรมเอกแล้วค่อยออกปฏิบัติอย่างนี้ไม่ใช่เป็นการศึกษา ไม่ใช่เป็นการทำธุระของพระพุทธศาสนาการทำธุระของพระพุทธศาสนาก็อย่างวันนี้ญาติโยมมาศึกษามาฟังธรรมพอรู้แล้วญาติโยมก็นำเอาไปปฏิบัติได้เลยในวันนี้ปฏิบัติในส่วนที่ญาติโยมสามารถปฏิบัติได้ส่วนที่ยังไม่สามารถปฏิบัติได้ก็เก็บเอาไว้ก่อนรอถึงเวลาที่เราสามารถปฏิบัติได้ เราก็ค่อยปฏิบัติต่อไปเพราะการปฏิบัตินี้ก็เป็นเหมือนกับการไปโรงเรียนที่มีชั้นต่างๆมีชั้นประถมมีชั้นมัธยมมีชั้นอุดมศึกษาเราต้องก้าวไปทีละขั้นแต่ละคนนี้อาจจะเข้าเรียนในขั้นต่างๆไม่เหมือนกันก็ได้เพราะแต่ละคนนี้เคย อาจจะเคยได้เรียนมาก่อนแล้วในภ พ, พก่อนชาติก่อนบางคนเข้ามาเรียนศึกษาแล้วก็สามารถบวชได้เลยบางคนเข้ามาศึกษาแล้วยังถือศีลแปดไปก่อนต้องถือศีลแปดไปก่อนบางคนเข้ามาแล้วก็ถือศีลห้าได้เลยบางคนเข้ามาแล้วยังถือศีลไม่ได้ <S <S <ม>ยังนั่งสมาธิไม่ได้ยังบวชไม่ได้ก็ต้องทำบุญให้ทางไปก่อน แต่ละคนนี่จะมีความสามารถหรือมีภูมิความรู้ทางพุทธศาสนานี้มาต่างกันเหมือนกับเราย้ายย้ายบ้านจากเมืองนี้ไปอยู่อีกเมืองหนึ่งแล้วเราก็ไปสมัครเรียนโร ง, งเรียนที่เมืองใหม่เขาก็จะถามว่าเราเคยเรียนถึงชั้นไหนแล้วถ้าเราเรียนถึงชั้นป .4 แล้ว เขาก็จะให้เราเรียนต่อหต่อไปเลยถ้าเราเรียนอยู่ม .1 เขาก็จะเรียนให้ให้เรียนมสองถ้าอยู่ปีหนึ่งในมหาวิทยาลัยจบปีหนึ่งแล้วเขาก็จะให้เราเข้าปี2ต่อไปการปฏิบัติทาง พ, พุทธศาสนาก็เป็นเช่นนี้ในภพก่อนชาติก่อนนี้เราอาจจะเคยร่ำเรียนเคยปฏิบัติมาก่อนแล้วดังนั้น การปฏิบัติของเราในชาตินี้จึงไม่เหมือนกันบางคนก็ยังต้องปฏิบัติตั้งแต่ชั้นปฐมต้องมาฟังเทศฟังธรรมไปก่อนแล้วก็ทำบุญให้ทานไปตามตาลำลังรักษาศีลได้บ้างไม่ได้บ้างบางทีก็รักษาเฉพาะวันพระพอไม่ใช่วันพระก็ไม่รักษาบางคนนี้ก็สามารถรักษาศีลห้าได้ทุกวัน ไม่ใช่แต่เฉพาะวันพระรักษาศีลห้าได้ทุกวันแล้ววันพระก็รักษาศีลแปบางคนก็รักษาศีลแปได้ตลอดเลยรักษาได้ทุกวันบางคนก็รักษาศีลิได้รักษาศีลสิได้ก็บวชได้เป็นภิกษุเป็นสมัมมเนยได้ นี่คือความรู้ที่เราได้ศึกษาร่เมเรียนมาแต่ลภพแต่ละชาตินี้ไม่สูญหายไปสมมุติเราศึกษาและปฏิบัติทำในภพนี้ชาตินี้พอเราตายไปชาติหน้าเราก็ไปศึกษาไปปฏิบัติ ต, ต่อเราไม่ต้องกลับมาเริ่มต้นที่ศูนย์ใหม่ไม่เหมือนกับทางโลกเช่นเรื่องการหาเงินหาทอง ชาตินี้เราหาได้เป็นร้อยล้านพันล้านแต่พอชาติหน้าเรากลับมาเกิดใหม่เราก็ต้องมาหาใหม่เราก็ต้องออกมาจากศูนย์นอกจากว่าเราเคยเอาเงินนี้ไปทำบุญให้ทานเราก็อาจจะไม่ต้องเริ่มจากศูนย์เช่นคนที่ทำบุญมากๆนี่เวลาตายไปกลับมาเกิดก็จะได้กลับมาเกิดบญกองเงินกองทองกลับมาเกิดเป็นลูกเศรษฐีอย่างนี้เป็นต้น เขาก็มีต้นทุนอยู่เขาไม่ต้องมาเริ่มต้นที่ศูนเพราะว่าพ่อแม่เขามีเงินทิ้งไว้ให้เขาเวลาพ่อแม่ตายไปเขาก็รับมรดกจากพ่อจากแม่เวลาอยู่กับพ่อกับแม่ก็อาศัยเงินทองของพ่อแม่นี้มาใช้ใช้จ่ายได้เลยไม่ต้องไปเริ่มต้นจากศูนย์เหมือนคนที่ไปเกิดกับคนยากจน คนที่ไปเกิดกับคนยากจนนี้แสดงว่าพบก่อนชาติก่อนไม่ค่อยได้ทําบุญให้ทานเท่าไหร่พอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เลยต้องกลับมาเกิดเป็นคนยากจนแต่ถ้าได้ทําบุญให้ทานมากๆอย่างพระพุทธเจ้าในในชาติก่อนที่จะกลับมาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะท่านก็เป็นพรวเวชสนดนท่านทาบุญให้ทานอย่างมากมาย เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องการสมบัติเข้าของเงินทองอันใดเลยพอท่านมาบวชมาม า, มาเกิดในชาตินี้ก็ได้มาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินมีเงินมีทองอยู่มากมายมีปราสาทถึงสามฤ ด, ดูมีมีบริษัทบริวารคอยรับใช้นี่คืออนิสง์ของทานที่ท่านได้ทำไว้ในอดีต พวกเราที่มาเกิดในภพนี้ชาตินี้ก็มีฐานะต่างกันในในด้านเงินทองก็เพราะว่าชาติก่อนนี้เราทำบุญให้ทานมาไม่เท่ากันนั่นเองบางคนทำมามากมาเกิดชาตินี้ก็มีเงินทองมากบางคนทำมาน้อยมาเกิดชาตินี้ก็มีเงินทองน้อยนี่คือเป็นหลักธรรมหลักกรรมเป็นอย่างนี้ไม่มีใครที่จะ มาลบล้างหลับหลับกรรมได้จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามหลับกรรมนี้ก็เป็นอย่างนี้อยู่ที่การกระทาของเราถ้าเราทำดีไว้แล้วทำบุญแล้วเราจะได้รับผลแน่นอนเพียงแต่ว่าเราต้องใจเย็นๆผลนี้ส่วนใหญ่จะเกิดในภพหน้าชาตินาไม่ใช่ในภพนี้ชาตินี้เหมือนคนบางคนคิดกันว่า ทำบุญชาตินี้แล้วจะร่ำรวยกันความจริงทําบุญชาตินี้แล้วจะยากจนกันเสียมากกว่าเพราะเมื่อเอาเงินทองไปทําบุญแล้วมันก็ไม่มีเงินเหลือแต่ไม่เป็นไรคนที่ทําบุญนี้เขาไม่เดือดร้อนเขาทําบุญด้วยความเต็มใจด้วยศรัทธาและด้วยความอิ่มเอิบใจเวลาเขาทาบุญมากๆแล้วเขาจะมีความอิ่มใจมีความพอใจทาให้เขาไม่ต้องใช้เงินใช้ทอง เหมือนกับคนที่ไม่ทําบุญคนที่ไม่ทําบุญนี้จะมีแต่ความหิวความอยากอยู่เสมอเพราะใจไม่ได้รับอาหารคือการให้ทานนี่เองการให้ทานการให้เงินทองแก่ผู้อื่นให้สิ่งต่างๆแก่ผู้อื่นนี้เป็นการให้อาหารกับใจพอใจได้รับอาหารแล้วใจก็ไม่รู้สึกหิวไม่รู้สึกอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ ก็เลยไม่จำเป็นจะต้องมีเงินทองแต่คนที่ไม่ไม่ทำบุญให้ทานนี้ก็เป็นเหมือนกับคนที่ไม่ได้ให้อาหารกับใจเมื่อใจไม่ได้รับอาหารใจก็หิวใจก็อยากอยากได้สิ่งนั้นอยากมีสิ่งนี้ก็ต้องใช้เงินใช้ทองแต่การใช้ทองเพื่อซื้อของตามความอยากนี้ก็ไม่ได้ทำให้ใจเกิดความอิ่ม แต่กลับสร้างความอยากให้มีมากเพิ่มขึ้นไปอีกสร้างความหิวให้มีมากเพิ่มขึ้นไปอีกจนทำให้มีเงินทองไม่พอใช้คนส่วนใหญ่ที่มีเงินทองไม่พอใช้นี้เพราะว่าเขาไม่เคยทำบุญให้ทานเขาจะเอาเงินทองที่เขามีอยู่นี้ไปซื้อความสุขที่เขาอยากจะได้ออกไปซื้อข้าวของฟุ่มเฟือยต่างๆซื้อของแพงๆต่างๆ เอาไปเที่ยวเอาไปไปหาความสุขทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายซึ่งการหาความสุขแบบนี้จะไม่สร้างความอิ่มสร้างความพอให้กับใจแต่กลับจะสร้างความหิวสร้างความต้องการที่จะใช้เงินใช้ทองมากขึ้นไปเรื่อยคนที่ไม่ทำบุญจึงมักจะไม่ค่อยมีเงินมีทองเหลือใช้ ต่างกับคนที่ทำบุญอยู่เรื่อยๆจะมีเงินทองเหลือใช้เพราะว่าเขาไม่ต้องเอาไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆซื้อของที่ไม่จำเป็นต่างๆเขาจะใช้เงินทองในสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นซึ่งสิ่งที่จำเป็นนี้ก็ไม่มีราคาแพงมากมายอะไรเลยคือปัจจัยสี่อาหารเราสามารถซื้ออาหารธรรมดามารับประทานได้ อาหารมือละห้าสิบบาทร้อยบาทก็พอแล้วอิ่มแล้วไม่ต้องไปกินอาหารมือละห้าร้อยห้าพันหรือห้าหมื่นเหมือนกับคนที่เขาหลงไหลกับความสุขแบบนี้เวลารับประทานอาหารแต่ละมื้อนี้ต้องหมดไปเป็นพันเป็นหมื่นถ้าอย่างนี้แล้วมีเงินมากน้อยเพียงไรก็จะไม่พอใช้ เมื่อไม่พอใช้แล้วก็จะต้องไปหาเงินในในในวิธีที่ไม่ถูกไปข่อโกงไปลักทรัพย์ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อที่จะได้เงินทองมามากมากก็เลยต้องทำบาป ท, ทำกรรมพอตายไปก็ต้องไปเกิดในอบายพอใช้กรรมหมดแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่ยากจน มีสุขภาพไม่สมบูรณ์แข็งแรงมีหน้าตาไม่ไม่สวยงามผิวพรรณไม่ผ่องใสนี่ก็คือเรื่องของการไม่ทำบุญให้ทานอย่างสม่าเสมอทําให้ใจนี้มีตัณหามีความอยากมีการมาตัณหาความอยากในการมีภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นพอมีความอยากอย่างนี้แล้ว ก็ต้องไปแสวงหามาถ้าไม่สามารถหามาด้วยวิธีที่สุดเจริจได้ก็จะหามาด้วยวิธีทุจริตอย่างที่เรารู้กันอยู่ทุกวันนี้สังคมของเราทุกวันนี้มีแต่คนที่ชอบทําเรื่องทุจริตกันคุกตารางนี้ไม่มีพอเก็บคนพวกนี้เอาไว้ล้นคุกน้นตารางไปหมดตำรวจตามจับไม่ไหว พามีอยู่มากเหลือเกินเนื่องจากอยู่ห่างจากศาสนานั่นเองไม่เข้าวัดไม่ทาธุระของพุทธศาสนิกชนถ้ามาเข้าวัดมาทำบุญให้ทานมาศึกษาธรรมะใจก็จะมีอาหารหล่อเลี้ยงแล้วก็จะมีความรู้ที่จะสอนให้รู้จักวิธีอยู่อย่างสุขอย่างสบายอยู่อย่างไม่ต้องไป สร้างเวรสร้างกรรมไม่ต้องไปทําบาปทํากรรมคนที่มาวัดอย่างสม่ําเสมอนี้จะเป็นอย่างนี้จะอยู่อย่างสมถะอยู่อย่างเรียบง่ายมากน้อยสันโดษไม่มีตันหาราคะแบบคนที่ไม่เข้าวัดถึงแม้จะมีตันหามีราคะก็ต้องควบคุมไว้ให้มันอยู่ในกรอบของศีลธรรมเช่อนอยากจะหลับนอนกับใคร ก็จะไม่ทำผิดศีลข้อสาคือการเมสุมิชาจาราจะไม่ไปหลับนอนกับคนที่ไม่ใช่เป็นสามีหรือภรรยาของตนจะหลับนอนกับสามีกับภรรยาของตนเท่านั้นก็จะปลอดภัยจากการที่จะต้องไปเกิดในอบายต่อไปพวกที่ปฏิพวกที่ประพฤติผิด การในสุนิชชาจารานี้ก็เป็นเหมือนพวกสุนัขนี่เองสุนักหรือสัตว์ต่างๆนี้เขาไม่เขาไม่รู้ว่าใครเป็นสามีใครเป็นภรรยาใครเวลาเขาเกิดความคล้ายเกิดความอยากเขาเจอตัวไหนเขาก็เอาตัวนั้นเลยคนเราถ้าทําอย่างนี้ก็ไม่ต่างกับเดรัจฉานคนเราไม่ได้อยู่ที่ร่างกายไม่ได้อยู่ที่รูปล่างว่าเป็นคนเป็นมนุษย์อยู่ที่ใจว่าเป็นมนุษย์หรือเปล่า ถ้าเป็นมนุษย์เน้นจะต้องมีศีลห้าถึงจะเป็นมนุษย์ถ้าเป็นถ้าถ้าไม่มีศีลห้าแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นมนุษย์้าเรียกว่าเป็นเป็นมนุษย์ทางกายแต่เป็นแต่เป็นเดราฉานทางทางใจเมื่อใจเป็นอะไรแล้วพอตายไปใจก็จะเป็นอย่างนั้นทันทีไม่ต้องมีใครมามาสาบมาแช่งมาส่งให้ไป มันไปของมันเองเพราะธรรมชาติเป็นอย่างนั้นถ้าฆ่าผู้อื่นหรือมีความอาฆาตพยาบาทโหดร้ายทารุณเบียดเบียนผู้อื่นอย่างนี้ใจก็เป็นนรกแล้วใจก็รุ่มร้อนเป็นไฟอยู่ตลอดเวลาเวลาตายไปก็ต้องไปนรกทันทีไม่มีใครมายับยั้งได้นี่คือเรื่องของกรรมเป็นอย่างนี้กรรมนี้อยู่ที่ตัวเรา อยู่ที่ใจเราเป็นผู้กระทำใจเราเป็นผู้คิดแล้วก็เป็นผู้สั่งให้กระทำถ้าเราคิดอยากจะฆ่าผู้อื่นเราก็สั่งตัวเราให้ไปฆ่าผู้อื่นเมื่อฆ่าแล้วใจของเราก็กลายเป็นนรกไปถ้าเราคิดจะประพฤติผิดประเวณีเราก็สั่งร่างกายของเราให้ไปกระทำการประพฤติผิดประเวณีพอทำไปแล้วใจของเราก็กลายเป็นเดรัจฉานไป ร่างกายของเราก็ยังเป็นมนุษย์อยู่เป็นคนอยู่แต่ใจของเรานี้ไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วไม่ได้เป็นคนแล้วใจเรานี้แหละเป็นผู้กระทำและเป็นผู้รับผลของการกระทำร่างกายนี้เป็นเพียงลูกน้องอย่างที่เขาพูดว่าใจเป็นนายกายเป็นบา่าวกายนี้ไม่รู้เรื่องอะไรกายเหมือนรถยนต์ส่วนใจนี้เหมือนคนขับรถ เวลาขับรถไปชนคนตายนี่เขาไม่จับรถไปเข้าคุกเข้าตารางเขาจะจับคนขับนี้ไปเข้าคุกเข้าตารางยั้นใดหลักกรรมก็เป็นแบบนี้เวลาทําบาปแล้วเขาไม่เอาร่างกายไปไปไ ป, ไปอบายเพราะเอาไปไม่ได้ร่างกายนี้เขาก็เอาไปเผาเท่านั้นเองเวลาตายไปแล้วแต่ใจนี่แหละจะถูกฉุดลากให้ไปใช้กรรมในอบายต่อไปเราจึงมีสัตว์ชนิดต่างๆกัน สิ่งสัตว์ที่เราเห็นกันชาัดๆก็สองพวกด้วยกันคือมนุษย์กับเดรัจฉานเดรัจฉานก็เป็นพวกที่ไม่ไม่มีศีลห้ามนุษย์นี้ก็เป็นพวกที่มีศีลห้าหรือเป็นพวกที่ไปใช้บาปใช้กรรมมาแล้วแล้วค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่หรือว่าพวกที่ไปรับบุญมาจากสวรรค์แล้วเป็นเทพเป็นทมแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ ก็เราจะมีมนุษย์อยู่สองพวกพวกที่มาจากอบายกับพวกที่มาจากสวรรค์พวกที่มาจากสวรรค์ก็จะเป็นพวกที่มาเกิดดีมีฐานะดีมีเงินทองมีรูปร่างหน้าตาสวยงามมีมีอาการครบสาสิบสองมีสติปัญญามีใจเป็นคนใจบุญใจกุศล นี่ก็พวกที่กลับมาจากสวรรค์จะเป็นอย่างนี้ส่วนพวกที่กลับมาจากนารกกลับมาจากอบายก็จะเป็นพวกที่พวกที่มีรูปร่างหน้าตาไม่สวยงามผิวพรรณไม่โปร่งใสฐานะยากจนแล้วก็มีจิตใจโหดร้ายโหดเหี้ยมทารุณมีจิตใจที่ชอบทำบาป ท, ทำกรรมชอบยุ่งเกี่ยวกับพวกอบายมุกทั้งหลายชอบเล่นการพนัาชอบเที่ยวกลางคืน ชอบเดินสุรายามาพวกนี้เป็นพวกที่กลับมาจากอบายกันส่วนพวกที่มาจากสวรรค์นี้จะไม่ชอบพวกนี้จะไม่ชอบเล่นการทนันจะไม่ชอบเที่ยวกลางคืนจะไม่ชอบเสพสุรายามาจะไม่ชอบครบคนชั่วเพราเป็นมิตรจะไม่ชอบความเกลียดครางเพราะพวกนี้เขามีนิสัยดีติดตัวมานั่นเองเราเคยทนความดีในพบก่อน เขาเคยหลีกเลี่ยงละเว้นพวกอบายอย่างบุกเขาเข า, ารักศาศีลห้าหรือศีลแปดหรือศีลสอง้อยิบเจ็ดได้พอเขากลับมาเกิดเป็นมนุษย์เขาก็กลับมาทํางานทําหน้าที่ของเขาต่อไปบางคนก็บวชเลยบางคนบวชตั้งแต่เป็นเนรเลยก็มีนี่ก็เป็นเพราะว่าเขาเคยทํางานนี้มาก่อนแล้วเขามีความสามารถที่จะทําต่อได้ พอเขามีโอกาสได้บวชเขาก็บวชไปตลอดชีวิตเลยบางคนก็มาบวชเป็นพระตอนที่โตขึ้นแล้วบางคนก็มาอยู่วัดมาถือศีลเป็นอุบาสกอุบาสิกาถือศีลแปดในวันพระบางคนก็รักษาศีลห้าอยู่เป็นประจํามาวัดในวันพระเพื่อมาทําบุญให้ฐานแล้วก็รักษาศีล น, นี่ก็คือความแตกต่างของมนุษย์เหล่านี้ แตกต่างเพราะบุญกรรมที่เราทำกันมาในอนดีตที่เองไม่มีใครอยากจะเป็นอย่างที่ตนเองเป็นกันมันเป็นของมันเองเราต้องพยายามฝืนถ้าเราอยากจะเป็นคนดีเราต้องฝืนเพราะการทำความดีนี่ยากกว่าการทำความชั่วการทำความชั่วนี้ง่ายเพราะว่าใจของเรนี้มันติดนิสัยการทำความชั่วมามาก การทำความชั่วถึงง่ายแต่การทำความดีนี่ยากเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ทำกันเหมือนกับเราสมมติว่าเราถนัดมือขวาแล้วเราต้องใช้มือซ้ายเราจะรู้สึกว่าเวลาเราใช้มือซ้ายนี่รู้สึกว่ามันยากเพราะเราไม่ค่อยได้ทำไม่เคยทำมันแต่ถ้าเราเคยทำอยู่เรื่อยๆต่อไปเราก็จะใช้มือมือซ้ายได้อย่างถนัดเหมือนกับเราใช้มือขวาได้ สมมุติว่าเกิดเรามือขวาเราขาดไปใช้มือขวาไม่ได้เราก็ต้องหัดใช้มือซ้ายเมื่อเราใช้ไปบ่อยๆเข้าต่อไปเราก็ชำนาญเองบางคนไม่มีมือยังใช้เท้าได้บางคนนี้ใช้เท้าวาดภาพสวยกับคนที่ใช้มือวาดก็มีเพราะว่าของพวกนี้ฝึกได้หัดได้ทำใหม่ได้เช่นเดียวกับการทําความดีก็เป็นสิ่งที่เราฝึกได้ทําได้ ถ้าเรายังรู้สึกว่ารักษาศีลห้ายากก็ลองทำดูตอนต้นก็ทำเฉพาะวันพระไปก่อนก็ได้แล้วต่อไปก็ทำเพิ่มเป็นสองวันสามวันต่ออาทิต ย, ย์ค่อยๆทำไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะสามารถทำได้เองไม่มีใครทำไม่ได้อยู่ที่ว่าเราอยากจะทำหรือไม่ทำเท่านั้นเองถ้าเรารู้ถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการทำหรือไม่ทำแล้วเราก็จะเกิดมีกาลังจิตกาลังใจขึ้นมา ถ้าเรารู้ว่าต่อไปถ้าเรารักษาศีลห้าได้เราทําบุญได้เราปฏิบัติทําได้ต่อไปเราจะกลับมาเกิดดีกว่าเดิมอยู่เรื่อยๆอย่างนี้ก็จะทําให้เรามีกําลังจิตกําลังใจที่จะทําความดีแล้วต่อไปเราก็จะได้เป็นเหมือนพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านก็เป็นเหมือนเราแต่ท่านพยายามทำความดีอยู่เรื่อยๆทุกภพทุกชาติ จนท่านสามารถพัฒนาจิตใจของท่านจนถึงขั้นสูงสุดได้เกิดถึงพระนิพพานหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่ก็เป็นสิ่งที่พวกเราสามารถทำกันได้ถ้าพวกเราหมั่นมาวัดกันเป็นประจำหมั่นมาศึกษาทำคำธรรทุระคือศึกษาเร่อเรียนเมื่อรู้แล้วว่าจะต้องปฏิบัติอะไรก็ไปปฏิบัติ ต, ต่อ ใช่วันนี้เรื่องดูแล ว, ว่าเราต้องทำบุญให้ทานอย่างสม่าเสมอเราต้องรักษาศีลอย่างสม่ำเสมอและเราต้องปฏิบัติธรรมอย่างสม่าเสมอนั่งสมาธิเจริญวิปัสสนาทำไปเถิดทีทละเล็กทีละน้อยดีกว่าไม่ทำเลยถ้าไม่ทำก็อยู่ที่ศูนย์อยู่ทุกวันถ้าทำแล้วมันก็จะขยับไปจากหนึ่งก็เป็นสองจากสองก็เป็นสาม เดี๋ยวปีหนึ่งสองปีมันก็เป็นร้อยเป็นพันขึ้นมาแล้วดังนั้นขอให้พวกเราจงพยายามเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนและพยายามปฏิบัติตามเพราะพระพุทธเจ้านี้ไม่เป็นคนโกหกหลอกลวงท่านไม่ต้องการอะไรจากพวกเราคนที่เชื่อพระพุทธเจ้าก็ได้ดิบได้ดีกันเป็นจํานวนมากเป็นคนที่พวกเรากราบไหว้บูชากันทุกวันนี้ก็เป็นคนที่เชื่อพระพุทธเจ้าทั้งนั้น คนที่เราไม่ก่าวว่าดูชาหรือคนที่เราสาบแช่งก็เป็นพวกที่ไม่เชื่อพระพุทธเจ้านั่นเองพวกที่ชอบทําบาปทํากรรมชอบเบียดเบียนผู้อื่นสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นพวกนี้เป็นพวกที่ไม่เชื่อพระพุทธเจา้าแต่พวกคนที่เชื่อพระพุทธเจ้านี้เป็นคนที่เราชื่นชมยินดียกย่องสรรเสริญกันเพราะเขาทําแต่ความดีนั่นเองจึงขอฝากเรื่องของการม า, ามทําธุระ ของพุทธศาสนิกชนคือคันธะทุระศึกษาเล่าเรียนและวิปัสสนาทุระปฏิบัติเพื่อรู้แจ้งเห็นจริงนี้ให้ท่านได้นำไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุดที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรยัย